พุทธะพควะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคิ a ถิโสพระควะอรหัสัมมาสัมพุทโตวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิถูอุตตรปุริสธรรมาสารถ สัทธาเทวมนุษาหนังพุทโธพระควาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรันตรัสรู้ดีโดยชอบด้วยพระองค์เองทรงถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะคือความรู้และความประพฤติสเสด็จไปดีคือไปที่ใดอย่างประโยชน์ให้ที่นั้นทรงรู้แจ้งโลกทรงเป็นสารถีฝึกคนที่ควรฝึก หาผู้อื่นเปรียบไม่ได้ทรงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทรงเป็นผู้ตื่นทรงเป็นผู้แจก่ายพระธรรมสื่อธรรมะสร้างสรรค์พุทธศาสนาและสังคมขอเสนอกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้า โดยได้นำเรื่องราวบางส่วนของพระพุทธเจ้าสมัยที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์ทั้งความปรารถนาบำเพ็ญบารมีต่างๆเพื่อน้อมนำให้ท่านผู้ฟังไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเกิดศรัทธามัน่นคงในการประกอบการกุศลคุณงามความดีสืบต่อไป จะทําและบรรยายโดยสนทิชัยทวีโชคทรัพย์สิสนม้วนที่สอง ไปนำเสนอเรื่องของส ส, สบัณฑิตพทิศสมัยหนึ่งรพระพธิ์ได้บังเกิดเป็นส ส, สบัณฑิตโพทิ์คือพระยากระต่ายครั้งนั้นพระยากระต่ายแม้จะตกอยู่ในอำนาจ ข, ของกรรมก็ยังบังเกิดในกำเนิดเดริชานเพื่ออนุเพราะ สัตวระหลานเช่นนั้นพญากระต่ายเที่ยวไปในป่าใหญ่มีหญ้ามีหญ้าแพร่เป็นต้นใบไม้ที่ก่อไม้พับยางได้อย่างหนึ่งและผลไม้ที่ตกจากต้นไม้เป็นอาหารละเว้นจากการเปลียนเบียนผู้อื่นข้อในการนั้นพญากระต่ายมีสหายด้วยกันดังนี้หนึ่งลิงสองสุนัขจิ้งจอกสลูกนาด เบียกระต่ายชาชาบัณฑิตนั้นได้พร่ำสอนให้สหายของตนตั้งอยู่ในกุศลกรรมและละเว้นจากอากุศลกรรมขอยพวกท่านทั้งหลายจงละเว้นจากบาปดัง น, นี้คือละเว้นจากบาณาติบาตละเว้นจากอทินนาทาน ละเว้นจากการเมสุมิฉาจาร์ละเว้นจากการกล่าวมุสาวาตรละเว้นจากการกล่าววิสุนาวาจาละเว้นจากการกล่าวพุทสวาจาละเว้นจากสัมผัสปลาปากละเว้นจากอภิชาละเว้นจากพยาบาทะและละเว้นจากวิชาที่ทีเทิดเราวอยพวกท่านทั้งหลาย จงตั้งอยู่ในทานศีลภาวนาวยาวจักอปะจายณนะปฏิธานะอัตานุมโมทนาธรรมะสาวนณะธรรมะเพสนาและทิถูุชุ ก, กรรมด้วยเถิดพระมหาสัตว์แม้สอุบัติในกำเนิดของเจรัจฉานอย่างนี้ก็เป็นชลยนมิตร พระเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยญาณทรงแสดงธรรมด้วยการให้โอวาดแก่สัตว์ทั้งสามเหล่านี้สัตว์ทั้งสามเหล่านี้เมื่อรับอววาดของพระมหาสัตว์แล้วก็เข้าไปยังที่อยู่ของตนเมื่อการผ่านไปอย่างนี้พระมหาสัตว์ได้แลมองดูในอากาศเห็นพระจันทร์เจ็นดวงจึงได้กล่าวสอนกับพวกทั้งสามว่า ท่านทั้งหลายวันนี้อาจารย์เต็มดวงวันนี้เป็นวันอุโบสถท่านทั้งหลายจงปรัสเรียนทางทั้งหลายเพื่อให้แก่ทักษีนัยกบุคคลฉันให้ทานแก่ทักษีนัยกบุคคลแล้วจงรักษาอุโบสถศีลเถิดบุคคลผู้ตั้งอยู่ในอุโบสถศีลฉั้นให้ทานแล้วย่อมมีผลมากเพราะฉะนั้นเมื่อยาจกมาถึง ขอให้พวกท่านจงให้อาหารแก่พวกเขาแล้วจึงรับประทานต่อไปเถิดสัตว์เหล่านั้นรับอาวาตของพระโพสต์ด้วยศีรษ์และอธิษฐานองค์อุโบสถในสัตว์เหล่านั้นลูกนาคไปยังฝั่งแม่น้าแต่เช้าตรู่ด้วยคิดว่าเราจะหาอาหารฟรังนั้นพรามเบ็ดคนหนึ่ง ตกปลาตะเพียนได้เจ็ดตัวเอาถาวัรรอยไว้แล้วหมกด้วยสายแล้วฝังไว้ที่ฝั่งแม่น้ําแล้วไปหาปลาต่อไปลูกหน้าสุดกลิ่นปลาได้คุ้ยสายเห็นปลาสิงนาออกมาและประกาศในสามครั้งว่าปลาเหล่านี้มีเจ้าของบ้างไหมปลาเหล่านี้มีเจ้าของบ้างไหมปลาเหล่านี้มีเจ้าของบ้างไหมเมื่อไม่เห็นเจ้าของสิงได้คาบที่ถาวัร วางไว้ที่พุ่มไม้อันเป็นที่อยู่ของตนโดยคิดว่าเราจะกินในเวลาอันสมควรนอนนึกถึงเสียงของตนต่อไปแม้สนักจิงจอกก็จะเที่ยวหาอาหารเช่นเดียวกันเห็นเนื้ อ, อย่างสองชิ้นที่ยตัวหนึ่งหม้อนมส้มหม้อหนึ่งที่กระท่อมของคนเฝ้านาคนหนึ่งและประกาศสามครั้งเช่นเดียวกันว่าอาหารเหล่านี้มีเจ้าของบ้างไหมอาหารเหล่านี้มีเจ้าของไหม อ่านเหล่านี้มีเจ้าของใหม่ครั้นไม่เห็นเจ้าของก็เอาเชือกติดผูกม้อดมส้มของของของตนข้ามเนื้อยญ้าและเหี้ยวางไว้ที่พุ่มไม้อันเป็นที่อยู่ของตนด้วยคิดว่าเราจะกินในเวลาอันสมควรแล้วนอนนึกถึงศีลของตนต่อจากนั้นแง่ลิงก็เข้าป่านาผลมะม่วงมาวางไว้ที่พุ่มไม้อันเป็นที่อยู่ของตนด้วยคิดว่า จะกินในเวลาอันสมควรแล้วนอนนึกถึงสศีของตนเช่นเดียวกันสัตว์ทั้งสามได้คิดอยู่ในใจว่าอ๋อยาจบจะพึ่งนี้มากแต่ที่ไหนนอ้อฝ่ายพระโพธิสัตว์สาส์บันดิตพยายกรตาย ก็ได้ออกหาอาหารในเวลาอันสมควรแต่ะราพึงรำพันธ์ะลิวิตตกอยู่ในใจว่าเรานอนคิดถึงทานอันสมควรแก่ภักกินัยกบุคคลถ้าเราพึงได้ภักษินัยกบุคคลเราจะให้อะไรเป็นทานดีงาถั่วเขียวถั่วเหลืองข้าวสารและเปลี่ยงของเราก็ไม่มี เราเนี้ชีวิตด้วยย่า allowance. เท่านั้นเพรามให้อาจจะให้ย่าแก่ทักกินายบุคคลได้เลยโธแต่เอาเถอะหากแม้มีทักกินายบุคคลมาขอในสัมฤทธิ์ของเราขอเพื่อให้เนื้อในร่างกายของเรานี้แก่ทักกินายบุคคลนั้นเมื่อพระมามุต ปริวิตกถึงสภาพความเป็นจริงอย่างนี้ด้วยอนุภาพแห่งความปริวิตกนั้นปรนภูมิกำพลศิลอาจของท้าส ก, กะก็แสดงอาการร้อนเท้าเธอรำพึงถึงเหตุการณ์นี้แล้วจึงดําริว่าเราจะทดลองพยัญชนะาตายด้วยการแปลง เ, เพศเป็นฟ้าแล้วไปทดสอบฐานของพยัญชายนี้ นั้นเท้าสั ก, กัดซึ่งแปลงเพศเป็นกรามก็ไปสู่สำนักของนาก่อนแต่พระทับยืนอยู่เมื่อนาเห็นจึงได้ถามว่าท่านพรามท่านพรามท่านยืนอยู่เพื่ออะไรโอเราเป็นพรามเราต้องการได้อาหารสักอย่างเราจะรักษาอุโบสถบำเพ็ญสมณะธรรมดีแหละสาธุสาธุ เราจะให้อาหารแก่ท่านปลากระเพีนของเรามีเจ็ดตัวเพิ่งเอาขึ้นมาจากน้ำวางไว้บนบกนี้แหละท่านพระม้าข้าพเจ้ามีสิ่งนี้แหละเชิญท่านบริโภคแล้วอยู่ในิพาเถิดโอ้หน่าเอ้ยน้ำใจของเจ้าประเสรนะิฐนักเป็นหน่าก็จริงเออแต่เอา่ะเอาระรอเอไว้ก่อนแล้วเราจะมาเลี้ยงใหหลังนะ ต่อจากนั้นพรามก็ไปสู่สำนักของสุนักจิงจอกแล้วกล่าวในคานองว่าโ อ, โอ้สุนักจิงจอกเอ้ยเราเป็นพรามเออเราต้องการอาหารจากท่านเพื่อบําเพ็ญสมณธรรมเราจะรักษาอุโบสถนะเออสุนัขจิงจอกเอ้ยท่านมีอะไรจะให้แก่เราขาา้าพเจ้ามีเนื้ออย่างสองชิ้น เฮี่ยมอ่อนนมส้มของคนเฝ้านานุษซึ่งข้าพเจ้านามาเปน็นอาหารกลางคืนท่านพรามข้าพเจ้ามีอาหารอย่างนี้แลเชิญท่านบริปโป้กแล้วอยู่ในป่าเถิดโอ้ควาใจของเจ้าประเสริฐนักสุนักจริงจอบเออเออเราทราบซึ้งจริงๆแต่แต่เราเอาไว้ก่อนเถอะแล้วเราจะมาในภายหลังนะ ก็ได้ไปสำนักของลิงและกล่าวในทานองเดียวกันว่าโอ้ลิงเออลิงเราเป็นพร้อมเราต้องการอาหารสักอย่างหนึ่งจากท่านเออเพื่อว่าเราจะเจริญสมณธรรมและรักษาอุโบสถท่านมีอะไรจะให้แก่ข้าพเจ้าบ้างเลอแม้ข้าพเจ้าจะเป็นลิงแต่ข้าพเจ้าก็มีมะม่วงสุกน้ำเย็นสถานที่ร่มรื่นเย็นสบาย ท่านาพรามข้าพเจ้ามีอย่างนี้เชิญท่านไล่าพวแล้วอยู่ในป่า น, นี่เถิดโอ้น้ำใจของเจ้าประเสิร์จริงนกักหลิงเอ้ยแต่เราเอาไว้ก่อนเถอะแล้วเราจะมาในภายหลังนะ พรามจึงไปสู่สำนักของชสะสะบัณฑิตโพิสัตว์คือพยกาการตายสะสะบัณฑิตเมื่อได้เห็นพรามแล้วจึงได้กล่าวว่าท่านพรามท่านมาเพื่ออะไรโอเราเป็นพรามเราต้องการอาหารอย่างใดอย่างหนึง่งเพื่อเจรเลิศมณธรรมรักษาอุโบสถท่านมาถึงในสำนักของเราเพราะเหตุแห่งอาหารอ เป็นการดีแล้ววันนี้เราจะให้ทานอันประเสริฐสูงสุดที่ไม่มีใครที่เคยให้แก่ท่านท่านผู้ประกอบด้วยเศลคุณการเบียดเบียนผู้อื่นไม่ควรแก่ท่านเลยท่านจงไปเอาไม้ต่างๆมาก่อไฟขึ้นเราจะยากตัวของเรานี้เราจะให้เนื้อสุก ข, ของเรานี้เองโ อ, โอ้เป็นจริงดังนั้นจรรึโอ้โอ้ออเราจะนำไม้ต่างๆ มาก่อไฟเป็นเชิงตะกอนใหญ่ก็แล้วกันขามนั้นมีจิตใจร่าเริงนำไม้ต่างๆมาก่อเป็นไฟเป็นห้องอันเต็มด้วยฐานไฟเพลิงลุกโทลงฉะนั้นลำดับเดียวกันนั้นรพระโพธิสัตว์พยากรตายรำพึงรำพันอยู่ในใจว่าหากมีสัต อยู่ในระหว่างขนของเราสัตว์เหล่านั้นก็อาจจะต้องตายไปด้วยเอาละ่ะเราพึงสลัดขนของเราถึงสามครั้งเพื่อให้สัตว์เหล่านั้นจะได้ตายเพราะเราเลยก็ในลำดับนั้นกองไฟได้ลุกโชดช่วงขึ้นซาสาเ บ, บนดิตก็ได้กระโดดเข้าไปในถ้งกลางระหว่างปเปลวไฟนั้น เมื่อ ส, าาสตว์บันดิต์กละโดเข้าไปในกองถานเริงนี้ด้วยคิดว่าเริงนนี้จะสามารถเผาร่างของตนได้จึงกระโดดลงไปในร่างนั้นทั้งสิ้นเป็นทานก็ในระหว่างนั้นมีจิตใจเบิกบานดุจพระยาหงโดดลงสู่กอประทุมฉนั้นเวลาร้อนน้ำเย็นอันผู้หนึ่งผู้ใดดำลงไป ย่อระงับความกระวนกระวายเดือดร้อนของผู้นั้นได้คือให้เกิดความพอใจและปิติชั้นใดพระโพรษษิสรัตว์ศาสนาบัณฑิตเข้าไปในไฟที่ลุกโลงก็ฉันนั้นในการเมื่อเข้าไปในกองฐานเกินที่ลุกโคลงก็ฉันนั้นมิได้มีแต่ความร้อนโดที่แท้ได้มีความระงับความกระวนกระวายเดือดร้อนทั้งปวงด้วยความอิ่มในทานนี้ ชาชาบันดิตโพธิสัตว์ปริยกระต่ายได้กล่าวอธิษฐานตั้งความปรารถนาเอาไว้ว่าเราให้แล้วซึ่งกายทั้งสิ้นโดยไม่เหลือคือขนหนังเนื้อเอ็นกระดูกและชิ้นเนื้อหัวใจแก่ทางนี้เพื่อทานอันยิ่งใหญ่นี้สำเร็จแล้วความร้อนแห่งเรลยวไฟไม่สามารถทานอันตรายคุ้มขน แต่พยาจะตายได้ดังนั้นแล้วสะสะบัณฑิตจึงได้กล่าวถามท่านพรามว่าท่านพรามท่านพรามท่านทําไฟให้เย็นได้อย่างไรท่านเป็นใครกันโอ้ข้าพเจ้าไม่ใช่พรามดอกข้าพเจ้าเป็นท้าสัจจักมาทําอย่างนี้ก็เพื่อทดลองทานของท่านท่านสะสะบัณฑิต กุศธรรมของท่านจงปรากฏอยู่ตลอดกับเธอด้วยเทวานุภาพของเท้าสัตว์คะพระองค์ทรงบีผููเขาคือเอายางภูเขาว่าลักษณะของกระต่ายไว้ณจันทะมนทนแล้วให้พระโพธิษัตว์นอนอยู่บนต่างหญ้าแพรกอ่อนที่พุ่มไม้ในราป่านั้นและเสร็จกับสู่เทวโลก บรรดิตทั้งหลายเหล่านั้นก็สมัรสมานเบิกบานบำเพ็ญวิจศรลและอุโบโสถศีลกระทำบุญตาสมควรแล้วก็ไปตามยถาธรรมนากในครั้งนั้นได้มาเป็นพระอนนุ์ในครั้งนี้สุนจรจิจอกือพระมหาโมคคลานะักลิงคือพระสารีบุตรสสารบดิตคือพระโลกนาฏ เรื่องของสังขาปาละจริยาริงอยู่พระมหาสัตว์เป็นผู้ขวนขวายในบุญมีฐานและสิงเป็นต้นได้ท่องเที่ยวไปมาในขติของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายโดยการแสวงหาโพธยญาณและบางครั้ง ก็ได้เกิดในหน้าคภ พ, พ, พิภพมีสมบัติเช่นเดียวกับสมบัติของเทพเป็นหน้าคราชชื่อสังขาร ป, ปาละมียริศมากมีอนุภาพมากพญานาคราชนั้นเมื่อการผ่านไปได้เกิดความรังเกียจสมบัตินั้นปราฐานกำเนิดมนุษย์จึงอยู่จำอุโบสถเมื่อหน้าคราชนั้นอยู่ในหน้าคภ พ, พ, พ, พิภพการอยู่รักษาอุโบสถไม่สมบูรณ์ศีลจะเศ้าหมองด้วยเหตุนั้น พยานาคราชจึงออกจากหน้าขภิพพล้อมจอมปลวกแห่งหนึ่งในระหว่างทางใหญ่และทางเดินทางเดียวไม่ไกลจากแม่น้ำกันหักวนาและอธิษฐานุโบสถสมาทานศีลในวันส4 1ส่ห้าค่ำเป็นปัติกพระโพธิสัต์ อธิฐานอยู่ในใจว่าผู้ใดต้องการหนังของเราก็จงเอาไปเถอะเราขอสระตนให้เป็นทานเมื่อพระมหาสัตว์อยู่จำอุโบสถอย่างนี้การล่วงไปยาวนานอยู่มาวันหนึ่งสังขปาระนาคราชสมาทานศีลอย่างนั้นแล้ว นอนขลดอยู่ใกล้จอมปลวกนั้นมุดรของนายพรานสิบหกคนคิดว่าจะหาเนื้อซึงคืออาวุธเที่ยวไปในป่าตอนไม่ได้อะไระไรก็กลับมาเห็นหน้าคราบนั้นนอนอยู่บนยอดจอมปลวกนั้นคิดว่าวันนี้เราไม่ได้อะไรเลยแม้แต่ลูกเหี้ยเราจะฆ่าหน้าคราบนี้กินเสียแต่หน้าคราบนี้ใหญ่โตมากนะักเมื่อเข้าไปคงจะหนีเป็นแน่ คิดดังนี้แล้วจึงได้ชักชวนทุกๆคนเอาเหลาวแทง น, นาคราชนั้นทั้งอย่างเป็นเป็นที่น้อนอยู่บนกระดนั้นแหละทําให้พญานาคราตนั้นอ่อนกําลังแล้วจึงจับจึงถือเอาเหลาเข้าไปแม้พระโพธิสัตว์ก็มีร่างกายคกำยำประมาณเข้าเรือโกรนลาหนึ่งดุดพวงมลิตที่ร้อยวางไว้งามยิ่งนักประกอบด้วยดวงตาเช่นเดียวกับผลมะกลาและศีสักเช่นเดียวกับดอกสบา พญยานาคราตนั้นโผล่ศีรษะในระหว่างขนดเพราะเสียงเท้าของคนสิบหกคนเหล่านั้นลืมตาสีแดงเห็นสิบหกคนถือหลาเดินมาคิดอยู่ในใจว่าวันนี้ความปรารถนาของเราจะถึงที่สุดเราขอมอบตอ น, น, นให้เป็นทางด้วยตั้งจิตอธิษฐานที่แน่วแน่เพราะกลัวศีลของเราจะขาดเราจะไม่แลดูชนเหล่านี้ ซึ่งเอาเหลาแทงร่างกายของเราทำให้เป็นช่องเล็กช่องใหญ่เราพึงสอสศีรษะเข้าไปในระหว่างขนดของตัวหนุนแล้วนอนต่อไปเคิร์สลำดับนั้นวุธของพรานเหล่านั้นจึงเข้าไปจับพญานาคราดนั้นที่หางแล้วชุดตกลงมาบนแผ่นดิน เอาลาวอันคมกริดแทงในที่แปดแห่งซอท่อนหวายดำพร้อมด้วยหนามเข้าไปทางป่าเพื่อประหารเอาคานหามในที่แปดแห่งเดินไปสู่ทางหลวงนั้นพระหมาสัตว์ตั้งแต่ถูกแทงด้วยลาวก็หลับตาไม่ได้มองดูลูกของพานเหล่านั้นแม้ในทีเดียวพญานาคราบนั้นเมื่อลูกพานเอาคานแปดอันหามหนงไปได้ห้อยศีรษะประทบแผ่นดิน ลำนับนั้นพวกลูกค่านเห็นว่าศรีรษะพญานาคราดนั้นห้อยจึงทำให้หน้าพราดนั้นนอนบนทางหลวงเอาหลาแหลนแทงที่ด้างจมูกสอดเชื่อเข้าไปแล้วยกศรีรษะขึ้นแล้วคล้องที่ปลายคานยกขึ้นอีกจึงได้เดินทางต่อไป ปฏิสัตว์ได้รับทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าแต่ก็ได้รำพึงรำพันอยู่ในใจว่าถ้าหากเราต้องการอยู่ปรารถนาจะอยู่โกรธแล้วพึงปล่อยซึ่งลมจมูกก็ยังมหาปฏตพีนี้อันมีมาสมุทรเป็นที่สุดพร้อมด้วยป่าและภูเขาให้ไหมไฟเป็นจึงได้คือพึงทำให้เป็นเท่าทาน พร้อมด้วยการให้ไหม่ื้อหลงจมูกนั้นแต่ในการนั้นอนุภาพของเราเป็นเช่นนี้แม้เมื่อเป็นเช่นนั้นถึงแม้จะแทงด้วยเหลาหรือจะทิ่มด้วยหอกเราก็จะไม่พึงโกรธลูกทานนี้เลยคือเราจะไม่โกรธลูกพานผู้มีใจติดร้ายแม้จะแทงด้วยเหลาอันคมกริบที่ถากทาทด้วยไม้แก่งเพื่อทําให้หมดกําลังและเมื่อสอดหวายและเท้าวัน เข้าไปในที่แปดแห่งและแม้จะทิ้นด้วยเหล้าอันคมกริบทำให้หมดกำลังในที่นั้น น, น, นี้เป็นเสนของเราคือการที่เราผู้มีอนุภาพมากถึงขนาดนี้อธิษฐ า, านอย่างนั้นไม่ตรวจรูปพานเพราะกลัวศีลจะขาดขอศีลประมบา ร, รมีของเราสิ่งเป็นไปแล้วด้วยความไม่คำนึงถึงชีวิตโดยส่วนเดียวเท่านั้น ในขณะนั้นเองมีกุดอมพีชื่ออาลาระชาวเมืองมิถิลาได้นำกุเรียนห้าร้อยนั่งยืนบนยานอันสํำราญแล้วเห็นพวกลูกของพรานเหล่านั้นกําลังนําพระหมาะสะตัตว์ไปก็เกิดความสงสารถามพรานเหล่านั้นว่าพวกท่านจะนํานากลางเนี้ยไปทําไมพวกท่านจะนําไปทําอะไรหรือกเอาประสงค์อยากจะปิ่งเนื้อของนากนี้ พวกท่านพวกท่านไม่ทราบหรือว่าหน้าคราบเนี่ยมีอนุภาพมากโดยชอบเขาไม่ประสุคร้ายพวกท่านก็เพราะห่วงศีลของตนพวกที่ทำให้หนาคราบเนี่ยลําบากจะบาปมากนะปล่อย เ, อเธอะเอาละ่ะเราจะให้โคใช้งานสิบหตัวทองคําฝายมือนึงแก่พวกท่านรงทั้งผ้านุ่มผมแม้ แ, แก่ภรรยาของพวกท่านทั้งหลายรงทั้งวัสดุสิ่งของที่ระลึกให้แก่พวกท่านด้วย เออเอาเอาเถอะพวกเราจะบูชาค่อยค้ำของท่านเราจะปล่อยนาบนี้ดังนี้แล้วพวกลูกนายพรานก็ได้ปล่อยให้พระหมาสัตว์นอนบนพื้นดินเพราะความหยากช้าของตนแล้วจับที่ปลายหวายและเทาวัน ทียร้อยไว้ด้วยหนามแล้วเตรียมจะกระาชา่าลำดับนั้นกุดุงพีเห็นหน้าคราบมีความลำบากจึงไม่ต้องการให้เกิดความลำบากด้วยการเอาดาบตัดเท้าวันค่อยๆแล้วดึงออกไม่ให้เกิดความเจ็บปวดในทำนองเดียวกับการนําเอาเครื่องเจาะหูของเด็กทาลกทั้งหลายออกข้อในการนั้นลูกพรานทั้งหลายช่วยกันค่อยๆดึงเครื่องผูกมัด ที่สอดสวมออนจากจมูกของหน้าพราชนั้นสักครู่หนึ่งพระหมาสัตว์ก็บ่ายหน้าไปทางทิศตะวันออกมองดูอาราละคุรุงพีนี้ด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยชุ่มน้ําตาพวกพรานไปได้หน่อยหนึ่งก็ได้แอบปรึกษากันว่าเมื่อหน้าอ่อนกําลังและเมื่อหน้าตายแล้วพวกเราจะเอาหน้านั้นกลับไปอาราละกุรุงพีได้ว่าพระหมาสัตว์กล่าวว่า ท่านทงไปเถอะหน้าเอ้ยพวกพรานจะไม่จับท่านอีกแล้วจากนั้นกุดุงพีได้ตามไปส่งหน้าคราบสักหน่อยหนึ่งแล้วก็ได้กลับไปพระโพธิสัตว์เมื่อกลับไปยังหน้าพิพพก็ไม่ทำให้เสียเวลาในหน้าพิพพนั้นออกไปพร้อมด้วยบริวารใหญ่ เข้าไปหาอาลาระโุลมพีพระนาคุณของนาพิภพแล้วนำอาลาระไปยังนาพิภพนั้นให้ยศยิ่งใหญ่พร้อมด้วยนางนากรยาสามร้อยแก่อาลาระให้อาลาระอินไปด้วยกามธิตอาลาระอยู่ในนาพิภพได้หนึ่งปีบริโภคกามธิตจึงบอกแก่นาคราชว่าสหาหิข้าพเจ้าปราถนาจะบวช ด, ดังนั้นแล้วจึงถือเอาบริขารของบรรพชิตออกจากนาพิภพนั้น ไปยังหิมะวันตบประเภทและบวชอาศัยอยู่ณหิมะวันทับประเภทนั้นเป็นเวลาชาานานต่อมาได้เที่ยวจารึกไปในกรุงพาราณสีพระเจ้ากรุงพารณาณสีได้ทอดพระเนตรเห็นทรงเลื่อมใสในอาจารยสมบัติจึงได้ตรัสถามว่าพระพุทท่านบวชจากประกูลที่มีสมบัติมากเออเพราะเหตุใดจึงได้ออกบวช จากนั้นพระอาราระจึงได้กล่าวเหตุที่ตนได้บวชแล้วกราบทูลเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่ต้นและเรื่องของการขอให้พวกครานปล่อยพระโพธิสัตว์จากเงื่อมือแห่งพระราชาแล้วแสดงคาด้วยคาถาเหล่านี้ว่านี่เนี่ยมหาปพิธแม้กรรมทั้งหลายาเป็นของมนุษย์เป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาอาตมาก็ได้เห็นแล้วอาตมาภาพ เห็นโทษในการมคุณทั้งหลายจึงบวช ด, ด้วยศรัทธามหาบาพิตรรุธทั้งหลายทั้งหนุ่มทั้งแก่ต า, ายหมดเหมือนผลไม้ในป่าหล่นฉะนั้นอาตมาภาพเห็นดังนั้นจึงบวชความเป็นสมณะไม่ผิดเป็นสิ่งประเสริฐโดยแท้เออท่านผู้ทรงนับรบท่านประเสริฐผู้มีปัญญาเป็นผูสูตรมีความคิดถึงฐานะมาก ควครคบแน่นอนท่านอาลาระข้าพระเจ้าได้ฟังเรื่องนาคราชและเรื่องของท่านแล้วจะกระทำบุญไม่น้อยเลยทีเดียวมหาภพิษผู้มีปัญญาเป็นพระหูสูตรมีความคิดถึงฐานะมากควครคบข้าแต่ราชาพระองค์ทรงสดับเรื่องราวของนาคราชและของอาตมาภาพแล้วขอจงทรงทําบุญไม่น้อยเถิด พระราบดักอยู่ณกรุงพาราณสีนั้นตลอดฤดูฝนสี่เดือนแล้วจึงไปหิมะวันตับประเภทจเจริญพรหมวิหารตลอดชีวิตก็ได้เข้าถึงพรมโลกแม้พระบพธิสัตว์ก็อยู่จำผูโบส์ตลอดชีวิตก็ได้ไปสู่สวรรค์แม้พระราชานั้นก็ทรงทาบุญมีทานเป็นต้นแล้วก็ไปตามยถากรรม อาลาระในครั้งนั้นได้เป็นพระสารีบุตรในครั้งนี้พระเจ้าพารณสีคือพระอานอน์เถระสังฆาปาลนาคาราชคือพระโลกนาคการบริจาคศรีระของนาคาราตนั้นเป็นทานบารมีการที่นาคาราชผู้ประกอบด้วยเดชเป็นพิษถึงปานนั้นเมื่อมีการเบียดเบียนก็ไม่ทำลายศีลของตนชื่อว่าศีลบารมี การลบโภคสมบัติเช่นกับโภคสมบัติของเทศแล้วออกจากหน้าพิพพบำเพ็ญสมณธรรมชื่อว่าเนคธ ร, รมมบารมีการเรียนร ว, ว่าควรทมประโยชน์มีทานเป็นต้นและสิ่งต่างๆชื่อว่าปัญญาบา ร, รมีการบรรเทาคามวิตกและความเพียงด้วยความอดกลั้นชื่อว่ายุรยบารมีความอดทนด้วยความอดกั้นชื่อว่าขันติบา ร, รมี การสมาธาสัจจ์ชื่อว่าสัจจ์บา ร, รมีการตั้งใจสมาทานยังไม่หวั่นไหวชื่อว่าอธิษฐานบา ร, รมีความเป็นผู้มีความเมตตาและเอ็นดูในสัมมาสัตว์ทั้งหลายหมายถึงมวลลูกพรานชื่อว่าเมตตาบา ร, รมีความเป็นกลางในเวทนาและความผิดป ก, กติที่ทำแล้วในสัตสังขารทั้งหลายชื่อว่าอุเบขาบา ร, รมีเป็นอันไดาบา ร, รมีสิบอย่างนี้ ด้วยประกาศลัชนี้ ไปนำเสนอเรื่องของมหากติชาดกสมัยหนึ่งเมื่อพระเจ้ากรมทัตค ร, ราราชสมบัติอยู่นครพาราณสีพระโพธิษัตว์เกิดในกำเนิดของพญาวานนเติบโตแล้ว ถึงพร้อมด้วยส่วนยาวและส่วนกว้างมีความสูงล่ำสันมีกำลังวังชามากมีพระกำลังเท่ากับช้างห้าเชือกมีฝูงบริวารแปดหมื่น 8, ตัวอาศัยที่ถิ่นดินแดนหินมะพานนั้นๆณที่นั่นแดนมีต้นอัมพะคือต้นมะม่วงที่คนทั้งหลายเรียกว่าต้นโครดมีกิ่งก้านสาขาแผ่กว้างมีใบดกหนาต่มเงาหนาสูงเทียมยอดเขา อาศัยฝังแม่น้ำคงคาผลของมันหวานหอมคล้ายกับกลิ่นและรสผลไม้ทิพย์ผลใหญ่มากประมาณเท่าม่อใบใหญ่ๆผลของจริงจรงหนึ่งของมันหลงไปบนบกส่วนจริงหนึ่งหล่นลงน้ำคงคาส่วนผลของสองจงหล่นที่ท่ามกลางใกล้ต้นพระโพธิ่สัตว์เมื่อพาฝูงบริวารไปกินผลไม้ที่ต้นนั้นจิงคิดว่า สักวันหนึ่งภัยจะเกิดขึ้นแก่พวกเราเพราะอาศัยผลไม้ต้นนี้หล่นลงในน้ำดังนั้นแล้วจึงให้ฝูงบริวารกินผลไม้ของกิ่งบนยอดที่ทอดไปเหนือน้ำโดยไม่ให้เหลือแม้แต่ผลเดียวตั้งแต่เวลาผลเข้ามาแรงวีในเวลาออกชอ่อแต่แม้เมื่อเป็นเช่นนั้นผลสุกผลหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในรังมดแดงฝูงวานอนต่างๆเหล่านั้น ก็ไม่สามารถมองเห็นได้หล่นลงในน้ําติดที่ขายด้านบนของพระราชาพระเจ้าอารณสีผู้ทรงให้ขึงไว้ทั้งด้านบนและด้านล่างแลง้วทรงกีฬาสนาน้ําในเวลาที่พระราชาทรงเล่นตอนกลางวันและตอนเย็นจึงเสร็จกลับผู้ชาประมงพากันกู้ขายขึ้นแล้วเห็นผลไม้สุกนั้นและไม่รู้ว่าผลไม้นี้มีชื่ออะไร จึงได้นำไปถวายพระราชาให้ทอดพระเนตรพระราชาตรัสถามว่าเพิ่มนี้เป็นผลอะไรกันเนี่ยข้าพระบุด้าไม่ทราบพระเจ้าค่ะเอา้าแล้วใครจะทราบละ่ะ พรานภัยพระเจ้าค่ะพระราชาทับสั่งให้เ ร, พร่พานภัยมาแล้วตรัสถามก็ส่งทราบว่าเป็นผลมะม่วงสุกแล้วส่งใช้พระแสงฤกษเฉือนให้พานภัยรับประทานก่อนภายหลังก็ส่งเสวยด้วยพระองค์เองพระราชทานให้สนมบ้างอำมาตย์บ้างรับประทานกันพระของผลมะม่วงสุกนั้นได้แผ่ทราบซ่างไปทั่วพระสรลระทั้งสิ้นของพระราชา ราชานั้นทรงติดพระทัยในความยินดีความพอใจในรอบนั้นได้ตรัสถามพานไัยถึงที่อยู่ของต้นไม้นั้นเมื่อได้ทราบว่าผลไมน้นี้อยู่ที่ฝั่งแม่น้ำในท้องถิ่นในแดงหิมะพานจึงรับสั่งให้คนจำนวนมากต่อเรือขนาดแล้ว เสด็จทูนกระแสน้ำขึ้นไปตามทางที่พวกพรานภัยทูลชี้แนะแต่พวกพรานไม่ได้ทูลบอกกำหนดว่าสิ้นเวลาเท่านี้วันถึงที่นั้นตามลำดับแล้วพวกพรานไัยจึงทูดพระราชาว่านี่แหละพระเจ้าเจ้าค่ะต้นไม้ที่เป็นต้นกำเนิดแห่งผลมะม่วงสุบนี้เอาละขอให้พวกเจ้าทั้งหลาย ่ดอดเรือละเทียบท่าในแม่น้ำแห่งนี้ลำดับนั้นพระราชามีหมาชนแวดล้อมเสร็จดำเนินไปณนะที่นั้นด้วยประบาทส่งให้ปูที่บรรทมที่ขวงไม้เสวยผลมะม่วงสุกแล้วเสวยพระกาหารมีรถเลื่อต่างๆนานาชนิดเสร็จแล้วก็บรรทมราชบุตรทั้งหลายก็ได้วางยามแล้วก่อไฟทั่วทุกทิศ เมื่อมนุษย์ทั้งหลายได้หลับกันไปแล้วพระโพธิสัตว์พยาวานอนจึงได้ไปกับฝูงบริวารทั้งหลายในเวลาเที่ยงคืนนั้นวานอนแปดหมื่นตัว้ากันไปไปกินผลมะม่วงสุกจากกิ่งหนึ่งไปยังกิ่งหนึ่งเสียงเจี๊ยจจาของวานอนต่างๆเหล่านั้นทำให้พระราชาทรงตื่นบรรทมทรงเห็นฝูงวานอนต่างๆจึงทรงปลุก ให้คนทั้งหลายตื่นขึ้นและรับสั่งเรียกพวกแม่นธนูตรัสว่าเอาตื่นตนพวกแม่นธนูทั้งหลายสู้เจ้าทั้งหลายจงพากระล้อมยิงพวกวานอนทั้งหลายเหล่านั้นที่กินผลไม้โดยไม่ให้มันหนีไปได้ตรงนี้เราจะกินผลไม้และเนื้อวานอนเหล่านี้ <laughs> พวกแม่นธนูทังรับ พระบรมราชองการใส่กล่าวแล้วพากันยืนล้อมต้นไม้แล้วขึ้นลูกศรไว้พวกวานอนได้เห็นพวกเขากลัวภัยคือความตายไม่อาจหนีไปได้จึงพาเข้าไปหาพระมหาศัต ย, ยืนสันสะทกสะท้านแล้วทางถามว่าข้าแต่สมุติเทพพวกคนแม่นธนูยืนล้อมต้นไม้ด้วยหมายใจว่าพวกเราจะยิงดิงโจที่หนีไปและพวกเราจะทําอย่างไรกันละ่ะ พยาวานอนพระกปัถิด ต, ตอบใจฝูงวานอนว่าสู้เจ้าทั้งหลายอย่ากลัวเลยเราจะให้ชีวิตแก่พวกเธอเองลำดับนั้นพยาวานอนได้วิ่งขึ้นกิ่งไม้กิ่งที่ชี้ไปตรงตรงแล้วไต่กิ่งที่ชี้ไปตรงหน้าแม่น้านําคงคากระโดดจากปลายกิ่งนั้นเลยที่ประมาณชั่วร้อยคันธนูไปตกลงที่ยอดพุ่มไม้พุ่มหนึ่งลงจากพุ่มไม้พุ่มนั้นแล้ว กำหนดอากาศระยะทางไว้ว่าที่ที่รองมาประมาณเท่านี้เราจะกัดเพลือหวายเท้าหนึ่งที่โคนและแกะกาบออกแล้วขัดช่วงระยะไว้สองช่วงนี้คือช่วงระยะเท่านี้จะปลูกต้นไม้ช่วงระยะเท่านี้จะพึ่งไปในอากาศแต่พยาวราณ์พระโพธิสัตว์ไม่ได้กัดช่วงระยะสําหรับปลูกเซลของตน เขาลากเอาเคลวายเถานั้นไปปลูกเส้นหนึ่งไว้ที่ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาปลูกเส้นหนึ่งไว้ที่เสะเอลของตนแล้วกระโดดไปสู่สถานที่ประมาณชั่วร้อยคันธนูโดยเร็วเหมือนแมกถูกลมพัดหอไปฉะนนั้นแต่เพราะไม่ได้กับช่วงระยะที่ปูกเสะเอลไว้จึงไม่อาจจะถึงต้นไม้ได้ จึงได้เอามือทั้งสองยึดกิ่งมะม่วงไว้ให้แน่นแล้วให้สัญญาณแก่ฝูงวานอนว่าสูเจ้าสูเจ้าทั้งหลายจงเหยียบหลังชันไต่ไปอย่างปลอดภัยตามเคลือนไวโดวเร็วท่านเทดฝูงบริวารวานอนแตดหมื่นตัวได้ไหวขอขมาพระโพธิสัตว์แล้วไต่ไปอย่างนั้นฟายเทวทัต ครั้งนั้นได้เป็นลิงอยู่ในจำนวนลิงเหล่านั้นคิดอยู่ในใจว่านี้เป็นเวลาที่เราได้เห็นหลังศัตรูของเราแล้วเราะจะเคลื่อนจริงไม้สูงแล้ววิ่งด้วยความเร็วให้ตกลงบนหลังของพระม้าศัตว์นั้นลิงพระเทวทัดได้กระโดดลงเหยียบหลังของพระม้าศัตว์ ด้วยกำลังอันเร็วหัวใจของพระมาศัตว์นั้นแตกเกิดเวทนามีกำลังแรงกล้าขึ้นฝ่ายลิงเทวทันั้นทำพระมาศัตว์นั้นให้ได้รับเวทนาแล้วก็ลีกไปปล่อยให้พระม้าศัตว์อยู่ลำพังเพียงผู้เดียวพระราชาทรงเห็นเหตุการณ์นั้นโดยตลอดพระองค์ ทรงระลึกนึกถึงกิริยาที่พวกวานอรและพระมาสัตว์กระทำทุกอย่างครางได้คิดอยู่ในใจว่าพยาวานอร น, น, นี้เป็นสัตว์เดลชจานได้ทำความสวัสดีแก่เหล่าบริวารของตนโดยไม่ได้คำานึงถึงชีวิตของตนเลยพรานรุ่งเช้าพระราชาได้ให้เจ้าหน้าที่ นำเอาพระมาสัตว์ลงมาจากต้นไม้แล้วดูแลรักษาให้เดือน้ำอ้อยให้เอาน้ำมันที่เจียวแล้วพันครั้งสโลมหลังให้ปูหนังแพะบนที่นอนแล้วให้พยาวานอนนั้นนอนบนที่นอนนั้นพระราชาจับถามว่าก็ ด, ดูก่อนพยาวานอนท่านได้ถอดตนเป็นสะพานใหเหลา ว, วานอนข้ามไปโดยสวัสดี ท่านเป็นอะไรกับวานอนเหล่านั้นและวาน อ, นอนเหล่านั้นเป็นอะไรกับท่านข้าพระองค์เป็นพยาวานอนเป็นหัวหน้าฝูงบริวารเหล่านั้นข้าพเจ้าจำต้องดูแลพวกเขาให้มีความสุขสวดดัสดีพระองค์เป็นพระราชาก็เช่นเดียวกันควรจะดูแลไคร่ฟ้าประชาชนของท่านด้วยทศพิธราชธรรมด้วยเถิด มา้าสัตว์เมื่อตัดเตือนพร่ำสอนพระราชาอยู่อย่างนี้แล้ ว, ลวก็ได้ถึงแก่กรลงพระราชาตรัสเรียกอำมาตยให้นำเอาศพของพระมา้าสัตว์นั้นทำการถวะพระเพิงหลุดเดียวกับพระเพิงพระราชาแล้วได้ถือเอากะโหลศีสระและพระธาตกลับสู่พระนครทำการบูชาพระธาตุตลอดเจ็ดวันต่อมาพระองค์ก็เอาพระธาตนั้นมาสร้างเจดีย์ไว้บูชาด้วยของหอมและดอกไม้เป็นต้น พระองค์ำดำรงอยู่ในโอวาทของพระโพธิสัตว์ปกครองโทศพิตราชธรรมทำบุญบา ร, รมีต่างๆเป็นต้นและมีสวรรค์เป็นไปในเบื้องหน้าพระราชาในครั้งนั้นได้เป็นพระอานนท์ในบัดนี้ลิงวายร้ายได้แก่พระเทวทัตบริษัททั้งหลายเป็นพุทธบริษัทส่วนพยาวานอนเป็นพระกถาคต เสนอเรื่องของมหิสาราจริยาการในครั้งนั้นพระโพธิสัตว์กำเนิดอยู่ในพญากระบือได้เที่ยวปาอยู่ในป่าใหญ่มีร่างกายอ้วนผีมีกายเติบโตด้วยไวที่สมบูรณ์และความอ้วนแห่งอวายวะน้อยใหญ่มีพละกกำลังมากสมบูรณ์ด้วยเร็วแรง กายของพระโพธิสัตว์ในครั้งนั้นประมาณเท่าช้างหนุ่มดูน่ากลัวเพราะให้เกิดความกลัวแก่ผู้ไม่รู้จกักศีลได้อาศัยอยู่ที่เนื่อเขามีหินย้อยครั้งการต่อมาได้เห็นสถานที่อันเจริญคือเมื่อเที่ยวไปอย่างนี้ได้เห็นว่าสถานที่โคนไม้อันเป็นที่เจริญในป่าใหญ่นั้นเป็นความผาสุก แล้วจึงได้เข้าไปอยู่หน้าที่นั้นยืนและนอนหาอาหารในตอนกลางวันแล้วไปยังโคนต้นไม้นั้นอย่างการเวลาให้ล่วงไปด้วยการยืนและนอนในครั้งนั้นมีลิงลามกตัวหนึ่งหลงจากต้นไม้แล้วขึ้นหลังของพระมหาสัตว์ ถ่ายอุจจระปาษสาวะรถแล้วจักที่เขาโผลตัวห้อยตัวเล่นไปมาดังนี้พระโพธิสัตว์ก็ไม่ได้สนใจในการกระทําอาราจารย์ของหลิงนั้นเพราะถึงพร้อมด้วยคันติเมตตาและความเอ็นดูหลิงนั้นก็ระยิ่งกำเริบทาอย่างนั้นบ่อยๆ ขั้นการต่อมานั้นเทวดาที่สิงสถิตยอยู่บนต้นไม้นั้นได้กล่าวกับพญากระบือพระโพธิสัตว์ว่าท่านไม่สละเพราะเหตุใดท่านจึงอดทนความดูแผลงของลิงชั่วนี้อยู่ได้เล่าทำไมท่านไม่ให้ลิงลา ม, มกตัวนี้ชิดหายด้วยเขาและจีดเท้าของท่านเล่าดูก่อนท่านเทวดาเพราะเหตุใด ท่านจึงดูแลเราด้วยสิ่งอันไม่เจริญด้วยคําแนะนําอันไม่ประเสริฐเลยเพราะเป็นธรรมของคนเลวมีพานเนื้อเป็นต้นผู้ไม่เจริญไม่ใช่คนดีถ้อยคาที่ท่านกล่าวแนะนําชักชวนเราในครั้งนี้เป็นความชั่วไม่สมควรเลยท่านเทวดาผู้เจริญผิดว่าเราโกรธลิงตัวนี้เราก็จะเลวกว่ามันเพราะลิงนั้นเป็นลิงทานเป็นลิงเลวด้วยความไม่ประพฤติธรรม หากเราพึงประพฤติธรรมลามกอันมีกำลังมากกว่าลิ่งนั้นเราก็จะพึงเป็นผู้ลามกมากกว่าลิงนั้นเพราะเหตุนั้นไม่ใช่หรือข้อที่เรารู้โลกนี้โลกหน้าอย่างดียิ่งแย่ดำรงอยู่ได้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นโดยส่วนเดียวเท่านั้นพึงพระพฤติธรรมลามกถึงปานนี้ก็มิใช่ฐานะที่เราจะมีได้หากเราพึงทำความลามกถึงปานนั้นศีลบา ร, รมีของเราก็จะพึงแตกเสีย เทวดาลารุตผู้เป็นบัณฑิตก็จะพึงติีตนเราได้ว่าพ่อแม่พีน้องทั้งหลายจงดูพระโพธิสัตว์เที่ยวแสวงหาพระโพธิญาณได้ทำความช่วยถึงปานี้แล้วการเป็นผู้มีเสียงบริสุทธิ์ยังประเสริฐอุดมดีกว่าการมีชีวิตอยู่แล้วถูกวุญยูชนทั้งหลายติเตียนกำหนดนินทาด้วยประการลักษณนี้ ทำไมเราจะเบียดเบียนผู้อื่นเพราะเหตุแห่งชีวิตเล่าเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราจะทําการเบียดเบียนสัตว์อื่นโดยเอาชีวิตของเราเป็นเดิมพันเอาศีลของเราเป็นเดิมพันได้อย่างไรนี่นะี่ยเทวดาลิ่งนี้สำคัญสัตว์อื่นว่าเป็นเหมือนอย่างเราเขาก็จะกระทําอนาจารยอย่างนี้อีกแต่นั่นกระบือที่ดุ ก็จากฆ่าลิงนั้นทำไปเสียอย่างนั้นการตายของลิงนี้ด้วยสัตว์อื่นจะเป็นการพ้นทุกข์และจากการฆ่าสัตว์ของเราได้พญากระบือพระโพธิสัตว์เมื่อประกาศอัธยาศัยของตนอย่างนี้ถึงแสดงคาแก่เทวด า, ากระเบือนั้นล่วงไปสองสามวัน ก็ได้ไปที่อื่นได้มีกระบือตัวดุตัวอื่นได้ไปตั้งหลักฐานอยู่นัดที่นั้นเพราะเป็นที่อยู่สบายลิงชั่วนั้นสําคัญว่ากระบือดุตัวนี้ก็คือกระบือตัวเดียวกันนั่นเองกินขึ้นไปหลังกระบือดุนั้นแล้วกระทําอนาจารในที่นั้นอย่างเดียวกันกระบือตัวดุจึงได้สลัดลิงให้ตกลงบนพื้นดินแล้วเอาเข่าขิดที่หัวใจเอาเท้าเหยียบจนแหลกเหลวไป มหิสาราพยากระบือในครั้งนั้นคือพระโลกนาถในครั้งนี้ ไปนำเสนอเรื่องของรุรุนิขาราชาจริย า, าครั้งหนึ่งพระโพธิสัต์ได้บังเกิดในกำเนิดเนื้อชื่อรุรุผิวในร่างกายของเนื้อนั้นมีสีเหมือนด่งแผ่นทองคำที่เผาแล้วคัดเป็นอย่างดีเท้าทั้งสี่ ดุจชาด้วยขัง้งหางดุาจหางจำรีเขามีสีเหมือนพวงเงินตาดุจก้อนแก้มมีที่ขาดดีแล้วปากดุจลูกคลีหนังหุ้มผ้ากำพลสีแดงสอดตั้งไว้เนื้อนั้นละความคลุกคลีพระสงค์อยากอยู่อย่างความสงบจิ่งทิ้งบริวารอยู่ผู้เดียวเท่านั้นในป่าใหญ่สับร่างด้วยดอกไม้อ่นด้วยต้นสาละน่าเรื่องรม ใกล้ฝั่งแม่น้ำคงคาฉะนั้นก็ในขณนะดเดียวกันนั้นมีเรื่องเล่าว่าเศรษฐีชาปกรุงภารณสีคนหนึ่งไม่ให้บุตรของตนเล่าเรียนศิลปะความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยคิดว่า บุตรนี้ได้เรียนศิลปะแล้วก็จะลำบากบุตรเศรษฐีไม่มีความรู้อะไรเลยนอกจากขับร้องประคมดนตรีฟอร้อนรำเชี่ยวกินและบริโภคไปวันๆเมื่อบุตรเจริญวัยมารดาบิดาก็หาภรรยาที่สมควรให้และมอบทรัพย์แล้วถึงแก่กรรมบุตรเศรษฐีห้อมล้อมด้วยนักเลงหญิงนักเลงสุราทำลายทรัพย์ทั้งหมด้ดวยอบายุขต่างๆได้กู้ดียืมสินในที่นั้นๆ จนไม่สามารถจากใช้นี้ได้เมื่อถูกเจ้าหนี้ทวงถามจิงคิดว่าประโยชน์อะไรเกยการใช้ชีวิตที่เป็นหนี้เราตายซะดีกว่าเขาคิดได้ดังนี้แล้วจึงไปบอกพวกเจ้าหนี้ทั้งหลายว่าขอให้พวกท่านจะมารับทรัพย์จากเราซึ่งเป็นทรัพย์สมบัติของประจําตระกลูลฝังไว้ที่ฝั่งแม่น้ําคงคาเราจะให้ทรัพย์นั้นแก่พวกท่าน จ้าหนี้ทั้งหลายก็ไปกับพวกเขาบุษเสถีก็ทำเป็นบอกพี่ฝังทรัพย์นั้นครั้งเมื่อพวกเจ้าหนี้เผลอจึงได้หนีกระโดดลงในน้ำปรุดนั้นได้ลอยไปในแม่น้ำตลอดทั้งวันทั้งคืนเพราะถึงความรักชีวิตอยู่ ยังไม่ถึงที่ตายจึงได้กลัวมรณะภัยร้องขอความช่วยเหลือลอยไปตามห่วงน้ำในท่ามกลางแม่น้ำนั้น เสียงของบุรุษนั้นร้องขอความช่วยเหลือในตอนเที่ยงคืนเมื่อได้ยินเสียงบุรุษนั้นจึงคิดว่าเมื่อเรายังอยู่ในที่นี้ขอให้บุรุษนี้อย่าได้ตายเลยเราจะช่วยชีวิตเขาพระโพธิสัตว์คิดดังนี้แล้วจึงออกจากพุ่มไม้ที่นอนแล้วไปที่ฝั่งแม่น้ำกล่าวถามบุรุษนั้นว่าท่านเป็นใคร ข้าพเจ้าโงกเจ้านี่โถงมี่สิ่งจึงเกิดความกลัวแล้ววิ่งกระโดดลงน้ําขอท่านช่วยข้าพเจ้าเถิดข้าพเจ้ากลัวความตายท่านผู้เจริญจะได้กลัวเลยเพรเจาจะช่วยชีวิตท่านพยานเนื้อพระพุทธสัตว์เมื่อปลอบใจแล้วเดินฝ่า ก, กระแสน้ํา แล้วให้บุตรนั้นขึ้นหลังนําไปถึงฝั่งแล้วพาไปที่อยู่ของตนปั่นเทาความเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ให้ผลไม้ครั้นล่วงไปสองสามวันก็กล่าวกับบุรุษนั้นว่าท่านผู้เจริญเราจะพาท่านไปยังทางที่จะไปกรุงพาราณสีขอท่านจะได้บอกใครๆละ่ะว่าท่านได้พบเราซึ่งเป็นกวางท้องอาศัยอยู่จ้าฉันจะไม่บอกใครๆ แล้พระมหาศัตว์ก็ให้เข้าขี่หลังของตนแล้วพาไปที่กรุงพาราณสีครั้นเมื่อถึงกรุงพาราณสีแล้วพระพุทธสัตว์ก็ได้กลับมาสู่ริมฝั่งแม่น้ำคงคายังถิ่นสถายของตนเช่นเดิม ที่บุตนั้นเข้าถึงกรุงพาราณสีนั่นเองพระอ克拉เมสีได้ทูลพระราชาว่าข้าแต่พระองค์หม่อมฉันได้ฝันเห็นกวางทองแสดงธรรมแก่หม่อมฉันหม่อมฉันฝันจริงกวางทองจะมีแน่นอนเพราะฉะนั้นหม่อมฉันใค่จะฟังธรรมของกวางทองหากหม่อมฉันได้ฟังก็จะมีชีวิตอยู่ หากไม่ได้ฟังม่อมฉันก็จะไม่มีชีวิตอยู่เพคะพระราชาทรงปรบอัครเมสีว่าเออถ้าหากวางทองมีอยู่ในมนุษย์โลกนี่จริงเธอก็คงจะได้สมหวังขั้งใจรามเอ้ยธรรมดาวางทองน่ะมีอยู่ดอกฤๅ นี้พรเจ้าค่ะเอาละงั้นจงเอาถุงรับหนึ่งพันใส่ไว้ในหยีทองคํายกขึ้นวางอีกคอช้างแล้วตีกลองล้องเที่ยวประกาศว่าผู้ใดบอกวางทองได้เราจะให้ถุงทรัพย์นี้พร้อมด้วยช้างแก่ผู้นั้นเราจะให้บ้านสวยและสตรีที่ตกแต่งไว้แล้วอย่างสวยงามแก่ผู้ที่บอกมรรคะที่กูดมกว่ามรรคเท่าหลาย ก็ในลำดับนั้นเศรษฐีบุตรได้ฟังเสียงการตีกรองเที่ยวประกาศจึงได้ตามราชบุุรนั้นเข้าไปในวังเศรษฐีบุตรนั้น ได้ทูลตามความเป็นจริงแก่พระราชาพระราชาตรัสถามว่าเออจริงหรือที่เจ้าได้เห็นกวางทองจริงพระยค่ะขอเดชะพระเจ้าค่ะขอพระองค์จงมากับหม่อมชั้นเถิดหม่อมชั้นจะให้ทอประเนตเห็นมรดกนั้น ชาได้ให้บุรุษนั้นเป็นผู้นําทางเสด็จไปถึงที่นั้นด้วยบริวารใหญ่ให้พวกราชาบุรุษทั้งหลายถืออาวุธล้อมสถานที่ที่บุรุษผู้คิดทํำลายมิตรนั้นชี้ให้ดูโดยรอบเออขอให้พวกท่านทั้งหลายจงทำให้เกิดเสียงดังเสดเราจะอยู่นาที่นี้เอง พระราชาประทับอยู่หน้าข้างหนึ่งกับชนเล็กน้อยแม้บุรุษนั้นก็ยืนอยู่ไม่ไกลนักดังดับนั้นพระหมาสัตว์สดับเสียงก็รู้ว่าเป็นเสียงของกองพนใหญ่ภัยของเราคงจะเกิดจากบุรุษนั้นเป็นแน่จึงได้ลุกขึ้นมองดูหมูช่ชนทั้งสิ้นแล้วดำติว่าเราจะปลอดภัยในที่ที่พระราชาประทับอยู่ ดังนี้แล้วพระมหาสัตว์จึงเดินมุ่งหน้าเข้าหาพระราชาพระราชาทอดพระเนตรเห็นกวางทองนั้นเดินมาจึงตาหนิว่า อ, อกวางทองนี้มีกำลังดุดขจตสาลอาจจะมาทำร้ายเราก็ได้เอาละเราจะเอาลูกศรธนูนี้เล็งตรงไปยังเจ้ากวางทองนี้หากแม้เขากลรัวหนีไป เราก็จะริงทำให้ท <ians> <invoke> ุกผลภาพแล้วก <moon> ็จะจับได้ก็ในลำดับนั้นพยากวางทองได้กล่าวว่าข้าแต่มารากผู้ตระเสิฐขอทรงโปรดรอก่อนอย่าเพิ่งริงข้าพระองค์เลยใครบอกเรื่องนี้แก่ท่านว่า ที่นี่มีพยากางทองนักที่นี้พระเจ้าค่ะพระราชาทรงยับยั้งด้วยถ้อยคําอันไพเราะขอมมรรคานั้นทรงลดคันสอนประทับยืนด้วยความเคารพและพระบพธิสัตว์ก็เข้าไปหาพระาระาชาได้ทาปฏิสันถานอย่างละมุนละม่อมแม้มหาชนก็ได้วางสัมภุทิ์แร่ล้อมพระราชานั้นแหล ผ่แด่พระราชาผู้ใดประทุษร้ายนิดเป็นบุรุษชั่วเราสละชีวิตช่วยให้พ้นจากการเป็นเหยื่อสัตว์พาไปกรุงพาราสีแต่เขาก็ได้บอกแด่พระราชาเราต้องการซักทันบอกแล้วบุรุษชั่วนั้นก็เป็นผู้นําทางเพื่อให้พระราชามาจากเราจึงพาพระราชามาณที่อยู่ของเราณ บ, บัดนี้ก็ในขณะนั <S <S ้นเองบุรุษชั่วนั้นลีข้ามไปหน่อยหนึ่ง แล้วอยืนในที่พอจะฟังการสนทนาพญาควางทองเออบริพูนี้แหละเป็นผู้บอกทางแก่เราได้ยินมาว่าคนบางพวกในโลกนี้ไม่พูดความจริงไม้ลอยน้ำยังดีกว่าส่วนคนบางคนนั้นไม่ดีเลยโอทนรุรุมิคารอดบรรดามฤคคนกมนุษย์ เปิดฐาติเกียรติอะไรมากที่สุดเล่าข้าแต่ราชาข้าพระองค์ช่วยยกบุรุษใดซึ่งลอยอยู่ในน้ําที่มีน้ํามากมีกระแสน้ําเชี่ยวขึ้นมาได้ไทมาถึงข้าพระองค์ก็เพระบุรุษนั้นเป็นต้นเหตุการสมาคมกับอาศบุรุษนั้นเป็นความทุกข์โดยแท้ข้าแต่มาราชบุรุษใดที่พระองค์แสดงแก่ข้าพระบาทนั้นบุรุษนั้นแหล ลอยไปในน้ำท้องให้ข้ามโคลนขอความช่วยเหลือในตอนเที่ยงคืนข้าพระองค์ช่วยยกเขาขึ้นจากแม่น้ำภัยนี้มาถึงข้าพระองค์ก็เพราะบุุษนั้นเป็นต้นเหตุชื่อว่าการสมาคมกับอาสัตร์บุุษนั้นเป็นทุกชะกชะช ะ, ชะเจ้าหนี้แม้รู้จักคุณของผู้มีอุปการะคุณถึงขนาดนี้โอ้ทำให้เกิดความลาบากเป็นอย่างยิ่งเราจะฆ่าเจ้าด้วยลูกศรนี้แหละ ก็ในลำดับนั้นพญากว่างทองลําฤกษว่าบุรุษพานนี้จะได้พี่หน้าไปเพราะอาศัยเราเลยข้าแต่มาราชื่อว่าการฆ่าคนพานก็ดีบัณฑิตก็ดีวินยูชนไม่สรเสริญว่าเป็นคนดีที่แท้แล้ววินยูชนย่อมตีเตียนอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นขอพระองค์อย่าฆ่าบุรุษพานนี้เลยไว้ชีวิตเขาไวเ้เถิดขอพระองค์ อย่าได้เสียปฏิญญาที่ให้ไว้กับเขาว่าพระองค์จะพระราชทานสิ่งนั้นสิ่งนี้แก่เขาข้าพระองค์จะนำสิ่งที่พระองค์ปรารถนาข้าพระองค์จะมอบตนชีวิตของข้าพเจ้านี้แด่พระองค์เองก็ในลำดับนั้น เมื่อพระโพธิสัตว์สละชีวิตของตนยับยั้งความตายของบุรุษภานั้นแล้วพระราชามีพระใจยินดีตรัสว่าเออบิดเท้าเจ้าเจ้าคนพานเจ้าติดคนความตายจากมือของเราแล้วเพราะความช่วยเหลือของพญ า, ามิขราชนั้นแล้พระราชาพระพระชาชฐานทรัพย์นั้นแก้ดุษนั้นตามปฏิญญาพระราชาทรงอนุญาตพรตามความพอใจของพระโพธิสัตว์และนําพระโพธิสัตว์ เข้าสู่พระนครรับสั่งให้ตกแต่งพระนครและประดับพระบริษัตทให้พระบริษัตทแสดงธรรมแก่พระเทวีพระมหาสัตว์แสดงธรรมด้วยภาษาบรรลที่ไพเราะแด่พระราชาพระเทวีและแก่ราชบริษัทถวายโอวาทพระราชาด้วยทศพิษราชธรรมสั่งสอนมหาชนและเข้าไปอยู่ในป่าแรดล้อมด้วยหมูมารุะอยู่อย่างสบายแด่พระราชา ก็ทรงดำรงอยู่ในโอวาทของพระมหาศัตว์ทรงประทานอาภัยแก่สมศัตดิ์ทรงบำเพ็ญบุญมีทานศีลภาวนาเป็นต้นได้มีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าเศรษฐีบุตรในครั้งนั้นได้เป็นเทวทัตในครั้งนี้พระราชาคือพระอ น, นุนโรรมิคราชคือพระโลกนาถ เสนอเรื่องของมหาโลมหังจรรยาสมัยหนึ่งพระมหาศัตร์ได้บังเกิดในตระกูลมีโพคะอันยิ่งใหญ่อาศัยความเจริญอยู่กับครูในสำนักของอาจารย์ที่สาฟาโมกแล้วสำเร็จศิลปะทุกแหนงก็ได้มาอย่างเรือนของตระกูล เมื่อมารดาบิดาล่วงลับไปแล้วแม้พวกญาติก็ขอร้องให้ครอบครองทรัพย์สินเป็นผู้มีความสังเวชในภาวะทั้งปวงด้วยมนสิการถึงความเป็นของไม่เที่ยงได้อสุภสัญญาในกายไม่ยึดถือที่เลสอันทำให้มีความกังวลในการครองเรือนเพิ่มพูนอธิยาไซในเนตรคำมะที่สั่งสมมาอย่างช้านานประสงค์จะละกองโพค่าใหญ่และออกบวชจึงคิดต่อไปว่า หากเราบวชจะเป็นผู้ไม่ตรากฏด้วยการยกย่องทางคุณธรรมพระหมาศตรัร้งเกียดลาบสการะไม่เข้าไปบวชปรึกนึกถึงตนว่าเราเพียงพอเพื่อไม่เป็นผู้ผิดปกติในลาบและเสียมลาบเป็นต้น โดยคิดอยู่ในใจว่าเราบำเพนปฏิปทามีความอดทนต่อคำเออย้ยหยันของผู้อื่นอย่างพิเศษจะยังอุเบกขาบารมีให้ถึงที่สุดจนได้ mm hmm. ดังนี้แล้วจึงออกจากเรือนด้วยผ้าผืนที่นุ่งอยู่นั่นแหละเป็นผู้ประพฤติขัดกเกลดอย่างยิ่งหมดกำลังก็ทำเป็นมีกำลังไม่โง่ ก็ทาเป็นดังโง่ถูกคนอื่นยาะเยะ้ยเย้ยหยันด้วยรูปร่างอันไร้จิตใจเที่ยวไปในหมู่บ้านนิคมและราชธานีโดยอยู่เพียงคืนเดียวเท่านั้นในที่ใดแต่รับการเย้ยหยันมากก็อยู่ในที่นั้นมากเมื่อผ้าที่นุ่งเก่าแม้ผ้านั้นจะเก่าจะเป็นผ้าที่ริว้วก็ไม่รับผ้าที่ใครๆให้เที่ยวไปเพียงปกปิดอวัยวะยางเหริ ให้กำเริบเท่านั้นเมื่อการผ่านไปอย่างนี้เขาได้ไปถึงบ้านและนิคมแห่งหนึ่งณที่นั้นในชาบ้านมีนิสัยนักเลงชอเตะรันฟันแทงบางคนก็เป็นบุตรหลานและเป็นทาสเป็นต้นขอมพวกราชวรลกยิ่งทะลึง่งหลอกแหลกปากจัดพูจาสามหาว เที่ยวเล่นตลอดเวลาเสียมากเด็กชาวบ้านเหล่านั้นเห็นชายและหญิงที่เป็นคนแก่เขนใจก็จะเอาฝุ่นละอองโปรยบนหลังห้อยใบลำเจียบไว้ในระหว่างรักแร้แสดงการเล่นด้วยท่าทางอันไม่เหมาะสมน่าตำหนิก็หัวระใสคนที่กำลังมาดูพระมหัสัตถ์เห็นพวกเด็กนักเลงเหล่านั้นเที่ยวไปนิลิคมนั้นจึงคิดว่าัจจุบน เราได้อุบายขึ้นบำเพ็ญอุเบกขาปรมีแล้วและแล้วจึงอยู่นัที่นั้นพวกเด็กนักเรงเห็นพระหมาสัตว์จึงได้เริ่มกระทำการอันไม่เหมาะสมพระหมาสัตย์ลุกขึ้นเดินไปทำคล้ายกับทนไม่ได้และทำคล้ายกลัวเด็กพวกเหล่านั้นพวกเด็กเหล่านั้นก็ตามพระโพธิสัตย์ไปพระโพธิสัตว์เมื่อถูกพวกเด็กตามไป จึงเข้าไปป่าชา้าด้วยเห็นว่าที่ป่าช้านี้คงไม่มีใครขัดคอจึงได้เอาโครงกระดูกทำเป็นหมอนหนุนแล้วนอนพวกเด็กนักเลงก็ได้พากันเข้าไปที่ป่าช้านั้นทำความไม่เหมาะสมหลายหลายอย่างมีการถมน้าลายหัวเราะเยาะปัสสวะรดเอาเส้นญ่าแยงเข้าไปในรูหูเพราะเล่นได้ตามความอำเภอใจ พวกเด็กนักเลงทำอย่างนี้อยู่ทุกๆวันพวกที่เป็นวินยูชนเห็นเด็กๆํกำอย่างนั้นก็ได้ห้ามปรามและบอกว่ารู้หรือไม่ท่านผู้นี้มีอนุภาพมากมีตะบะเป็นมหาโยคีวินยูชนทั้งหลายมีศรัทธาร่าเริงใจว่าท่านผู้นี้เมื่อเด็กเหล่านี้ทําความไม่เหมาะสมหลายๆอย่างโยคีนี้ก็ไม่มีความโกรธกลับเข้าสู่ความขันติธรรมเมตตาธรรม และมีความเอ็นดูในเด็กเหล่านั้นอีกเด็กพวกนี้ปฏิบัติผิดในท่านผู้นี้เป็นผู้ที่ขนขวาในบาปเป็นอันมากวิญญาชนเหล่านั้นกินได้นำของหอมดอกไม้เป็นอันมากรวมทั้งอาหารหลายหลายอย่างและเครื่องสการะเข้ามาให้โยคีนั้นพระมหาศัตว์ได้คิดอยู่ในใจว่าเด็กชาวบ้านพวกใด นำทุกในร่างกายาให้เราส่วนมนุษย์ที่เป็นวิญญาณชนพวกใดให้ความสุขแก่เรานำความสุขมาให้เราด้วยเครื่องบำรุงความสุขมีดอกไม้ของหอมและอาหารเป็นต้นเราจะเป็นผู้มีจิตเสมอกันแก่ชนทั้งหลายเพราะเรามีจิตเสมอโดยไม่เกิดความผิดกปกติในที่ไหนไหนดังนั้นเรา สิ่งเป็นผู้มีจิตใจเสมอแต่ชนท่องปวงในจารยาเรื่องนี้พระมหาสัตว์ ยอมด้านบารมีสิครบโดยเฉพาะทางบารมีก่อนคือการบริจาคสมบัติทั้งปวงและการบริจาคอัตภาพของตนโดยไม่ได้คำนึงว่าใครๆจะถือเอาสิเระนี้แล้วจงทําอย่างได้อย่างหนึ่งที่จนปรารถนาจัดเป็นทางบารมีการไม่ทําสิ่งไม่ควรทําทั้งปวงมีความเลวเป็นต้นเป็นสี่งบารมีการเพิ่มพูนอสุภาษสัญญาณในกาย ของพระโพธิสัตว์ผู้หันหลังให้กับความยดีในการออกจากเรือนเป็นเน่ฆัมมะบาร ม, รรมีความเป็นผู้ฉลาดในการกำหนดธรรมเป็นอุปการะาแก่สัมโพธิสมภารและในการละธรรมอันเป็นปฏิปักิต่ออุปการะธรรมนั้นและการคิดถึงสภาวะธรรมจากธรรมอันไม่วิปริตเป็นปัญญาบรร า, า, ารมีการบรรเทาการวิตกเบื้ต้นและพยายามปดกลั้นความทุกข์ เป็นวิริยะบารมีความอดทนด้วยความกดกลั้นเป็นขันติบารมีจิงวาจาและจริงด้วยการเว้นโดยไม่ผิดสมาทานเป็นสัจจะบารมีาการตั้งใจสมาทานอย่างไม่หวั่นไหวในธรรมอันไม่มีโทษเป็นอนธิษฐานบารมีความเป็นผู้มีเมตตาและมีความเอ็นดูในสรรพสัตว์โดยไม่เจ้าจงเป็นเมตตาบารมีส่วนในจริยานี้ ท่านทำอุเบกขาบรมีให้เป็นบรมีที่ยอดเยี่ยมอย่างยิ่งจึงยกอุเบกขาบรมีนั้นขึ้นสู่เทศนา าาสมัยหนึ่งเมื่อพระโบริสัท์อยู่ในกำเนิดของวานอนอาศัยความเจริญได้เป็นพระยาวานอนมีกำลังดุดช้างสารสมบูรณ์ด้วยเร็วแรงมีร่างกายใหญ่โตประมาณท่าลูกมาได้อยู่ที่ซอกเขาแห่งหนึ่งใกล้ฝั่งแม่น้ำแห่งหนึ่ง ในการนั้นพระโพธิสัตว์นี่ได้ดูแลฝูงเที่ยวไปผู้เดียวก็นัท่ามกลางแม่น้ํานั้นก็มีเกาะอยู่เกาะหนึ่งสมบูรณ์ด้วยผลไม้มีขนุนและมะม่วงเป็นต้นหลายหายอย่างพระโพธิสัตว์เพราะสมบูรณ์ด้วยพละกําลังที่มีความรวดเร็วกระโดดจากฝั่งนี้ของแม่น้ําไปถึงแผ่นหินแผ่นหนึ่งซึ่งอยู่ในท่ามกลางเกาะและแม่น้ํานั้นได้กระโดดจากแผ่นหินนั้นไปถึงเกาะนั้น ปริยาวานอนเชี่ยวกินผลพลาหารและหลายอย่างณเกาะนั้นตอนเย็นก็กลับโดยวิธีนั้นนั่นเองแล้วอยู่ในที่ของตนพรุ่งขึ้นก็ทำอย่างนั้นอีกสาเร็จการอยู่อย่างนี้โดยทำนอนนี้ตลอดการในการนั้นจระเข้ตัวหนึ่งพร้อมด้วยนาจระเข้อาศัยอยู่ใกล้แม่น้ำนั้น นายจระเข้ตเมียนั้นได้เห็นพระโพธิสัตว์ไปไปมามาอยู่อย่างนั้นก็เกิดอาการแพ้ท้องอยากกินหัวใจลิงจึงแท้บอกกล่าวกับจระเท้ผู้เป็นสามีว่านายจ๋าฉันแพ้ท้องอยากกินหัวใจลิงสามีก็ได้รับปากว่าจะจับพระยาลิงนั้นมาให้ ถึงเวลาเย็นสระเทูุเป็นสามีก็ไปอยู่บนหลังแผ่นหินพระโพธิสัตว์เที่ยวหาอาหารตลอดวันในตอนเย็นนั้นได้ยืนอยู่บนเกาะนั้นเองมองดูแผ่นหินจึงคิดว่าหินแผนนี้ทำไมวันนี้จึงได้ปรากฏสูงกว่าเดิมจะมีเหตุอะไรน้อเพราะถราหมาสัตว์นั้นสังเกต ป, ปริมาณของน้าและปริมาณของแผ่นหินไว้เป็นอย่างดีด้วยเหตุนั้นพระโพธิสัตว์ จึงำกำหนิว่าวันนี้น้ำหอมแม่น้ำก็ยงังไม่ลดแต่ทำไมแผ่นหินนี้จึงปรากฏใหญ่มากคงจะเป็นสระเทศมานอนอยู่บนแผ่นหินนั้นมาจะจับเราณที่นั้นเป็นแน่เอาละ่ะเราจะทดลองสระเทศนั้นก่อน ดังนี้แล้วพระโพธิสัตว์จึงยืนอยู่อย่างนั้นทําเป็นเหมือนพูดกับหญิงว่าหินเจ้าเอ้ยหินเจ้าเอ้ยหินเจ้าเอ้ยทําไมวันนี้เจ้าจึงไม่คําตอบกับเราเล่าจาระเฆคิดอยู่อย่างนี้ว่าทิศวันนี้และวันอื่นก็คงให้คําตอบแกพยาวานอนเป็นแน่แต่วันนี้หินไม่ให้คำตอบ เพราะว่าเราได้ฟองไว้เอาเธอเราจะให้คําตอบแก่พ ь, ยาวานอนว่าอย่างไรพยาวานอนท่านเป็นใครเล่า เ, ออเราเป็นเจ้าแค่เจ้ามานอนที่เนี่ยเพื่ออะไรเล่าเพราะเราต้องการหัวใจของท่านคลังนั้นพระภูติษัตว์รำพึงรําพันอยู่ในใจว่าเราไม่มีทางที่อื่นเลยทางไปของเรา พ, พระมหาสัตว์สตริกว่าเราไม่มีที่อื่นที่จะไปวันนี้เราจะลวนสระเท่เราจะเปื้นสระเท่จากปาบใหญ่ด้วยอาการอย่างนี้และเราก็จะได้ชีวิตด้วยดูก่นจระเท่พวกเป็นสหาย เราจะกระโดดไปบนตั <un> าวท่านพลายวอนท่านจะได้มือชักช้าเชอเลยมาทางนี้สิเรากําลังจะไปแล้วนะแต่ว่าท่านจงอ้าปากของท่านไว้แล้วจะเราตอนที่เรามาหาท่านก็ในขนาะนั้นเมื่อจะระเข่อ้าปากตาทั้งสองข้างก็ได้หลับตะเขนั้นไม่ได้ กำหนดกฎเกณฑเหตุการณ์นั้นจึงได้อ้าปากตาของสระเข้ก็ได้หลับสระเข้อ้าปากนอนไม่ยืนตาเลยพระมหสัตว์รู้ความจริงของสระเข้นั้นจึงได้กระโดดจากเกาะไปหยิบหัวสระเข้แล้วกระโดดจากนั้นไปยืนอยู่บนฝั่งโน้นดูสายฟ้าแลก เรื่องลมรดบด้วยแนวต้นไม้มีมะม่วงว่าขนุนเป็นต้นและเหมาะที่จะเป็นที่อยู่แม้พระมหาสัตว์ก็ได้รักษาคำสัตว์นั้นเพราะได้ให้ปฏิญญาไว้ว่าเราจะมาและก็ได้กระทําอย่างนั้นคือเราจะมาแน่นอนเรามิได้ทําการคําขอเจรเข้ที่กล่าวหลอกลวงนั้นก็หามิได้เพราะรักษาคําสัตว์นี้ จึงได้สลัดชีวิตของตนได้ทําแล้วจระเข้เห็นความอาศจามดังนั้นคิดว่าโอ้พยาวานร น, นี้ทําอาศจารย์ิ่งนักกอดู ก, ก่อนพยาวานอนผู้จะเดินผู้คนผู้ประกอบด้วยธรรมสี่อย่างในโลกนี้ย่มครอบงาศัตรูไว้ได้เออทําทั้งหมดนั้นคงมีอยู่ในตัวท่านแล้วท่านพยาวานอน ทำสี่อย่างเหล่านี้คือสัจจะปัญญาความเพียรและชาคะมีอยู่แก่ผู้ใดเหมือนอย่างท่านผู้นั้นย่อมร่วงพ้นศัตรูได้วจีสัจจะที่ท่านกล่าวว่าท่านจะมาสันนักของเราแล้วก็มไหลโกหก มาจนได้อนี้เป็นวจีศัจดิของท่านการใช้วิจารณ์ปัญญาไตรตรองปัญญาชีเป็นไปว่าเมื่อท่านทําอย่างนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ชื่อว่าใช้วิจารณปัญญาของท่านความเพียรที่ไม่ขาดแม้ความเพียร น, นี้ก็มีแก่ท่านจากขับงคือการบริจาคตนท่านสละตนมาหาเราเราไม่สามารถจะจับท่านได้เอง อันนี้เป็นความผิดของเราเองทำสี่อย่างเหล่านี้มีอยู่แก่ผู้ใดเหมือนอย่างมีแก่ท่านผู้นั้นย่อมก้าวล่วงคือครอบงำศัตรูของตนได้เหมือนท่านพ้นเราแล้วในวันนี้จะระเแท ได้สันเสริมพระโพธิสัตว์อย่างดีแล้วได้ไปที่อยู่ของตนจระเขในครั้งนั้นได้เป็นเทวทัศน์ในครั้งนี้เมียจระเข ค, คือนางจินจามนาวิกาส่วนพระยาวานอนอนั้นคือพระโลกนาถเพิงประกาศคุณนานุภาพจังต่อไป น, นี้คือการรู้ว่าจัลเข นอนบนแผ่นหินด้วยสังเกตปริมาณของน้ำและของแผ่นหินด้วยกำหนดเอาว่าบัดนี้ปรากฏหินสูงเกินไปการตัดสินเนื้อความนั้นโดยอ้างว่าได้เคยพูดกับหินการเปรึ๊งจรลเกให้พ้นจากบาปใหญ่เพราะรีบทำด้วยการเหยียดหัวจรลเกแล้วยืนอยู่บนฝั่งโน้นทันทีการรักษาชีวิตของตนและการรักษาสัจวาจานั้น สมัยหนึ่งพระภูธิสัตว์ได้กำเนิดอยู่ในปลากินดีด้วยสังขาวัตถุสีประการของปลาทั้งหลายในสะใยแห่งหนึ่งซึ่งปกคลุมด้วยเถาวันอันเป็นสะตโบคารณีใกล้พระเชตวันกรุงสาวถีในแว้นโกสลครั้งนั้นพระภูธิสัตว์ถือเป็นพระยาปลา แวดล้อมด้หมูปลาอาศัยอยู่ณที่นั้นก็ในการนั้นขณะนั้นฝนไม่ตกเลยเข้าวกล้าเหี่ยวแห้งน้ำในบึงก็ได้แห้งขอดปลาและเต่าก็พากันเข้าไปอาศัยเปลือกตมแม้ในสระนั้นปลาทั้งหลายก็เข้าไปยังเปลือกตมซ่อนอยู่ณที่นั้นนั้น ภายหลังจากน้ำได้แห้งนอกระตุมและเดี่ยวกาและนอกอุนตื่นนั้นก็ได้ใช้จงอยปากซึ่งคล้ายกับปลายหอกสั้นที่กินปลาซึ่งเข้าไปซ่อนอยู่ในที่เปือกตมทางทางที่ยังดิ้นอยู่นั่นเองก็ในลำดับนั้นพระหมาสัตว์เห็นความพินาศของปลาทั้งหลายเกิดความสงสาร คิดอยู่ในใจว่านอกจากเราไม่มีผู้อื่นที่จะสามารถปลดปลื้มญาติทั้งหลายของเราให้พ้นจากทุกนี้ได้เราจะปลดปลื้มตาเหล่านั้นจากทุกได้ด้วยอุบายอย่างไรหนอเขาเอถอะชากอะไรเราพึงทาศัตรยาอาศัยศัจธรรมที่ท่านผู้สแสวงหาคุณใหญ่แต่ก่อนประพฤติสั่งสมมาและที่มีอยู่ในตัวเรายังฝนให้ตก และสละชีวิตเป็นทานเพื่อมูย่ายของเราสรยุทเหตุนั้นเป็นอันว่าเราจะยังมหาอุปการะให้เกิดแก่สัตว์โลกผู้อาศัยอาหารเลี้ยงชี่แม้ทั้งสิ้นด้วยประการลันี้บัดนี้พระมหาสัตว์ซึ่งมีร่างเช่นเดียวกันกับสีปุ่มแก่นไม้อันชัน ประสงค์จะรับเอาธรรมนั้นซึ่งมีอยู่ในตนและประกอบคำพูดที่เป็นคำสัตว์จึงได้คุยเปลือกตมสีดำออกทั้งสองข้างลืมตาทั้งสองแงนมมองดูในอากาศกระทำสัจจริยาว่าตั้งแต่เราประพฤติตนได้ตั้งแต่เร า, ร, เ ร, ารู้ความมาจนถึงบัดนี้เราไม่ได้รู้สึกเลยว่าได้กลางแกร้งเดืดเวียนสัตว์แม้แต่ตัวหนึ่งให้ได้รับความเดือดร้อนเลย ด้วยสัตว า, านี้ขอแม่จงยังฝนให้ตกด้วยหาใหญ่นี้ด้วยเถิดนี่แน่ท่านปัญชุนะเทวราชท่านจงเปล่งสายฟ้าคำรามให้ฝนตกจงทำขุมทรัพย์ของกาให้พี่หน้าไตท่านจงยังให้กาให้เดือดร้อนด้วยความโศกจงปลดเรื่องฝูงปลา จากความโศกณบับพิทเิดพระมหาสัตว์เรกปัญชุณเทพบุตรตรึกบังคับคนรับใช้ของตนให้ผลหาใหญ่ตกทั่วแกล้โกศลด้วยเดชแห่งศีลของพระมหาสัตว์บันทุกกรรมลลินดอาจของเท้าสักกะสแสดงอาการร้อนตลอดการโดยสติริยานั่นแหละเท้าสักกะทรงรำพึงว่า นี่เป็นเหตุอะไรหนอเมื่อทราบเหตุนั้นแล้วจึงรับสั่งให้เรียกวสวลาหกเทวราชมามีเทวบัญชาว่านี่แน่เจ้าพยาปาผู้เป็นมหาบุษปรารถนาให้ฝนตกเพราะความเศร้าโศกคือความตายของญาติทั้งหลายขอให้เจ้าจงทําเมฆให้เป็นกลุ่มเดียวกันแล้วให้ฝนตกพักวแคว้งโกศนเทิด ว่าสเวลาหกเทวรากรับเทวบัญชาแล้วนึ่งเวลาหกก้อนหนึ่งห่มก้อนหนึ่งขับเปรงขับสายผลบายหน้าไปมุ่งไปยังโลกทางด้านทิศตะวันออกและแล้วก้อนเด้ก้อนหนึ่งประมาณเท่าบริเวณลานได้ตั้งขึ้นร้อยชั้นผ่นชั้นคํำรามเปลงสายฟ้าไหลลงมาเหมือนหม้อน้ำที่คว่าแล้ว ฝนได้ตกอยู่อย่างไม่ขาดสายครูเดียวเท่านั้นสะใหญ่นั้นก็เต็มไปด้วยน้ําปลาทั้งหลายก็ค้นจากมรณะภัยกาได้หมดที่พึ่งไม่เฉพาะปลาเท่านั้นแม้มนุษย์ทั้งหลายก็ยังข้าวกล้าหลายอย่างให้งอกงามแม้สัตว์สองเท้าเป็นต้นทั้งหมดที่อาศัยฝนเลี้ยงชีวิตก็ค้นจากทุกกายและทุกใจอย่างนี้พัญจุณนะเทวราชในครั้งนั้น ได้เป็นพระอานนท์ในฟังนี้ปูงปลาคือพุทธบริษัทพยาปลาคือพระโลกนา